ส่วนเทวปฏมาลทักมันบ้างก็ได้แต่อย่าทักว่ามันเป็นศัตรูฉะนั้นใช้คาว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทักท่านซะบ้างทักเธอซะบ้างทักเขาซะบ้างทักได้ไม่ต้องเห็นว่าเขาเป็นศัตรูด้วยพระโมคคลาก็ไม่ได้มองว่ามาันเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าไม่ได้มองม า, มานว่าเป็นศัตรูยังพูดคุยให้เกียรต เวลาพระอุปคุตเอาผ้าไปผูกแล้วเอ า, เอาหมาเน่าไปคล้องคอแล้วก็มัดไว้กับภูเขาตั้งกี่เดือนนะหลายเดือนพญามารจึงบอกว่าโอ้โหโหดร้ายพระเพลเจ้านะเราไปแกล้งตั้งหลายครั้งไม่เคยทําอย่างนี้กับเราเลยพูดดีกับเรามากนะดูก่อนพญามารเลยพูดแบบว่าให้เกียรติอเหมือนเป็นแขกผู้ใหญ่อย่างนี้น สาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลก็ไม่เคยทำอย่างนี้เลยมีองค์เนี้ยองค์เดียวคือพระอุปคุตเนี่ยโอ้โหไม่ให้เกียรติเราเลยผูกไว้เราผูกเราไว้กับภูเขาแล้วแถมยังห้อยหมาเน่าเอาไปด้วยบอกมีองค์นี้องค์เดียวแนหะแต่ต้องทำอย่างนี้เพื่อที่จะทรมานพยามารทรมานคือสั่งสอนพอพยามารถูกทรมานอย่างนี้จึงเห็นคุณของพวกพเจ้าถ้าไม่ทรมานอย่างนี้นะจะอ้ ธรรมดาพระทั่วๆไปใครๆโดนเราแกล้งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆคนแต่พอเจอของจริงเข้าเจอของจริงคือเจอพระพปกุดเข้าเนี่ยพยามาจึงนะครับโว้จริงพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาจริงๆถูกแกล้งเท่าไหร่ไม่ไม่มีไม่มีปฏิกิริยาที่มาตอบโต้เลยไม่ ม, ม, ม, ม, มีนโยบายที่จะมาเททัพเกทัพอะไรเลยไม่มีเลยแล้วจึงคิดว่าเราไม่เป็นแล้วสาวกสาวกใจร้ายไม่เอาไม่ชอบ ไม่ชอบคนใจร้ายแล้วเราไม่อยากจะเป็นคนใจร้ายด้วยขอเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่ามารเนี่ยถ้าเราปฏิบัติกับเขาดีรู้จักเขาได้แล้วเนี่ยนะมารบันทีก็กลับใจกิเลสมารในตัวเราในใจของเรารู้จักเขาดีแล้วนะกลายเป็นเครื่องฝึกมัจจุมานที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้ชีวิตเราไปต่อกลายเป็นว่าเป็นเครื่องเตือนใจไม่ต้องกลัวมารขอเพียงแค่รู้จัก ถ้าเรากลัวมารนะงานของมารจะสำเร็จพอโดนไรนิดหน่อยแล้วถูกแกล้งกลัวทุกครั้งที่กลัวนะร่างกายของเราเนี่ยจะเกรงในแง่ของร่างกายจะเกรงถ้าเขาสมมุติเป็นเทวปุตตมารเป็นคนคิดร้ายคนขี้อิจฉาทำแกล้งด้วยวิธีอะไรใส่พลังจิตอะไรเข้ามาแล้วแล้วเราได้รับ ความเสียหายในด้านร่างกายด้านสุขภาพนะถ้าเรากลัวนะสุขภาพยิ่งแย่เพราะว่าทุกครั้งที่กลัวร่างกายจะเกร็งถ้าในแง่ของแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะมีจุดอะไรต่างๆพวกนี้นะหรือทางทางแผนอะไรที่เ็เป็นจั ก, กระอะไรเนะี่ยพอเกร็งและจั ก, กระจะปิดจุดต่างๆที่เขาเวลาก็ฝังเข็มจะปิดเลือดลมจะไหลไม่สะดวกของเสียถ้ามีจริง จะไม่ถูกระบายถ่ายเทออกไปแต่ถ้าสบายๆ ย, ยิ้มทักทายรู้จักท่านแล้วดูก่อนมานฉันเห็นเธอแล้วนะสบายๆนะไม่ต้องกลัวนะจะกระเปิดเวลาเรายิ้มสบายๆจิตใจก็ผ่องใสผ่อนคลายเหมือนดอกไม้ที่คลี่บานพอคลี่บานนะแจ่มใสผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายด้วยร่างกายผ่อนคลายนะี่สิ่งของเสียต่างๆก็จะมีการระบายออก ถ้ากลัวเสร็จมันถ้ารังเกียจอิจฉาคนอื่นเราจะแปลงกายจากเทพบุตรมาเป็นพญามารแล้วเราจะแปลงกายจากเทพธิดาเป็นนางมารเอ๊ะทำไมไม่มีถ้าหัวหน้ามารฝ่ายหญิงเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้ามารฝ่ายชายเรียกพญามารใช่ไหมหัวหน้ามารฝ่ายหญิงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะนางพญาเนะนางพญา อยากเป็นนางพญาหมหนางพญามานโอ้ชื่อเท่ะนะ